ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นคำพีชินารังการะบีกาแปลพระพุทธรัิตาจารย์ชาวศีลังการจนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพรหมโลกก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่ทรงทราบเฉพาะเรื่องเทวโลกเท่านั้นแม้เรื่องพรหมโลกก็ทรงทราบในเรื่องนั้น ชื่อว่าพรหมโลกมี20ชั้นด้วยอำนาจของชั้นมี8ด้วยอำนาจแห่งฌานที่นำไปบังเกิดในพรหมโลกนั้นคือบุคคลเจริญปฐมฌานเป็นปริตารมคือมีอธิบดีอย่างต่ำย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นพรหมปริสชามีอายุประมาณเศษหนึ่งส่วนสามแห่งกับ บุคคลเจริญปฐมฌานนั้นนั่นแหละเป็นมัชฌิมารม์คือมีอธิบดีระดับกลางย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตาพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตานั้นมีอายุประมาณครึ่งกับบุคคลเจริญปฐมฌานนั้นนั่นแหละเป็นปณีตารม์คือมีอธิบดีระดับสูงย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นมหาพรห ม, มา พรหมโลกชั้นมหาพรหมนั้นมีอายุประมาณหนึ่งมหากัปภูมิแห่งปฐมชาญสามเหล่านี้พรหมเหล่านั้นย่อมดำรงอยู่เสมอเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ขึ้นไปบนชั้นสูงสูงความจริงแล้วก็หมายถึงอยู่ในระดับพื้นที่เดียวกันไม่สามารถที่จะไปยังพรหมโลกชั้นสูงกว่าได้นี่เป็นระดับปฐมชาญภูมิ นอกจากนั้นบุคคลเจริญทุติยฌานและทุติยฌานตติยฌานในปัญจักนัยเป็นปริตตารมณ์ย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นปริตตาภาพรหมโลกชั้นปริตตาภานั้นมีอายุประมาณสองกัปบุคคลเจริญทุติยฌานและทุติยฌานตติยฌานในปัญจักนัยนั้นโดยที่เป็นมัชฌิมารมณ์ย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอัปปมานาภา พรหมโลกชั้นอปมานาพานั้นมีอายุประมาณสี่กัปก็สองเท่าขึ้นไปนะบุคคลเจริญทุติยชาญและทตุติยชาตติยชาในปัญจกนัยนั้นนั่นแหละเป็นปานิตารลมย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอภัสราพรหมโลกชั้นอภัสรานั้นมีอายุประมาณแปดกัปภูมิแห่งทุติยชาญสามเหล่านี้ ลมเหล่านั้นย่อมดำรงอยู่เสมอเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ขึ้นไปบนชั้นทงสูงก็คืออยู่ในระดับพื้นที่เดียวกันบุคคลเจริญตติยชาญเป็นปริตตารล์ย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นปริตตะสุภาพรหมโลกชั้นปริตตสุภานั้นมีอายุประมาณสิบหกกับบุคคลเจริญตติยชาญ น, นั้นนั่นแหละเป็นมัชชิมารลมย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอัปปมานาอัปปมาณสุภา พรหมโลกชั้นอันปมานาตุพานั้นมีอายุประมาณ32กับบุคคลเจริญตติยชา น, นั้นนั่นแหละเป็นปณีตารมย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นสุภกินนหาพรหมโลกชั้นสุภกินนหานั้นมีอายุประมาณ64กับภูมิแห่งตติยชานสามเหล่านี้พรหมเหล่านั้นย่อมดำรงอยู่เสมอเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ขึ้นไปบนชั้นสูงสูงคืออยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกัน บุคคลเจริญเจตุตติฌานย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นเวหพราห์พรหมโลกชั้นเวหพราหานั้นมีอายุประมาณห้าร้อยกับบุคคลบุคคลเจริญเจตุตติฌานนั้นนั่นแหละเมื่อนายสัญญาย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอสัญญีพรหมโลกชั้นอสัญญีแม้นั้นก็มีอายุประมาณห้าร้อยกับเหมือนกันอสัญญีสัตว์นั้นไม่มีจิตมีรูปประพรม ประมาณสิบสองโยชนีรูปพรมนะหมายถึงว่ามีรูปอย่างเดียวขนาดประมาณสิบสองโยน์อสัญญีสัตว์นั่งในโลกนี้จุติไปแล้วย่อมปรากฏนั่งอยู่นั่นแหละหมายถึงผู้ที่บำเพ็ญฌานได้ฌานที่ห้าโดยปัญจกนยัยหรือว่าโดยฌานที่สี่โดยจตุ ก, กนัยเนี่ยนะเมื่อตายจากโลกมนุษย์นี้แล้วเนี่ยบำเพ็ญ สัญญาวิราคะเบื่อหน่ายในสัญญาเนี่ยนั่งอยู่ในโลกนี้ตายจุติก็จะไปนั่งอยู่บนพรหมโลกนั่นแหละฉันสัญญีสัตว์เนี่ยเป็นนักสัญญาสัตว์เนี่ยนั่งอยู่ในนั้นแหละห้าร้อยมหากับท่านนอนจุติไปแล้วย่อมปรากฏนอนอยู่นั่นแลยืนจุติไปแล้วก็ย่อมยืนนั่นแลเกิดขึ้นเป็นดุลรูปปฏิมากรรมไม่รู้อะไรอะไรทั้งนั้น ส่วนท่านที่เป็นพระอนาคามีจเจริญเจตตุจารบางท่านย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอวิหาพรหมโลกชั้นอวิหานั้นมีอายุประมาณหนึ่งพันกับก็เป็นผู้ที่มากด้วยสัตว์ตินสีนะสัต์ตินรีมีกําลังก็ไปเกิดในชั้นอวิหาต้องเป็นพระอนาคามีด้วยบางท่านย่อมเกิดขึ้นในพรหมโลกชั้นอตัตตาาพวกนี้ก็มีวิริยินรีที่มีกําลัง พรมโลกชั้นอัตาปานั้นมีอายุประมาณสองพันกับบางท่านย่อมเกิดขึ้นในพรมโลกชั้นสุทัสสนี่ก็มากด้วยสติินรีสติินรีมีกําลังพรมโลกชั้นสุทัสสนั้นมีอายุประมาณสี่พันกับบางท่านย่อมเกิดขึ้นในพรมโลกชั้นสุทัศีพวกนี้ก็มีสมาติินรีที่มีกําลังพรมโลกชั้นสุทัศีนั้นมีอายุประมาณแปดพันกับ บางท่านย่อมเกิดขึ้นในพรโมโรคชั้นอากาศนิถาคือมีปัญญีนียที่มีกำลังพรโมโรคชั้นอากาศนิถานั้นมีอายุประมาณหนึ่งหมื่นหกพันกับพรโมโลคมีชั้นอวิหาเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าสุดท่าวา่าพรมเหล่านั้นตั้งอยู่สูงเป็นชั้นชั้นขึ้นไปอันนี้อยู่คนละระดับกันแต่เป็นภูมิที่อยู่ของผู้บริสุทธ์ก็คือเป็นพระนาคามี ถ้าบลุก็เป็นพระฐานเพื่อนั้นก็มีพระอริยบุคคลสองระดับเท่านั้นก็คือพระนาคามีกับพระอรหันต์ก็เลยเรียกว่าเป็นสุตตาว่าเป็นผู้อยู่ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์จากการมราคะในพรหมโลกเหล่านั้นตั้งแต่พรหมโลกชั้นพรหมาปริสัชชาชั้นพรหมเหล่านี้ชื่อว่ารูปประจรสิบหกชั้นพรหมเหล่านั้นทั้งหมดมีสันฐานเป็นบุรุษ แม้พิยนชนะแองสตรีและบุรุษย่อมไม่มีจักกุและโสตะมีอยู่พร้อมเหล่านั้นย่อมเห็นรูปย่อมได้ยินเสียงส่วนคานะคือจมูกนั้นมีอยู่คานาสาธะและคานา ว, วิญญาณไม่มีก็มีสันฐานของจมูกแต่ว่าคานาสาทรูปกับคานา ว, วิญญาณที่จะดมกลิ่นนั้นไม่มีแต่าตาหูนี่มีอยู่มีจักกุสาธะโสตะสาธะจักกุ ญ, ญาณโสตะวิญญาณอันนี้มี เพราะฉะนั้นพรหมเหล่านั้นจึงไม่รู้กลิ่นชิวหาที่พลิกไปมามีอยู่เพราะฉะนั้นพรหมเหล่านั้นจึงพูดได้ชิวหาสาาธและชิวหาวิญญาณไม่มีเพราะฉะนั้นพรหมเหล่านั้นจึงไม่รู้จักรสไม่เคี้ยวกินไม่ดื่มความยินดีในชานนั่นแหลเป็นอาหารของพรหมเหล่านั้นกายมีอยู่กายแยกธาและกายวิญญาณไม่มีเพราะฉะนั้นพรหมเหล่านั้นจึงไม่รู้ผาษาอะไรอะไร แม้จะเป็นอยู่อย่างนี้ผ้านุ่งผ้าห่มก็มีอยู่วิมานที่นอนที่นั่งของผรมก็มีอยู่อาพรทั้งปวงมีอยู่ผมเล็บและฟันมีอยู่ส่วนที่เหลือไม่มีตังหาสรีระเป็นดุจเปลวประทีปทางออกที่ใครและมูดไม่มีสตรีไม่มีแม้การเสวนากับสตรีก็ไม่มีการฟ้อนรำและการขับร้องเป็นต้นก็ไม่มี ลมบางพวกย่อมอยู่ด้วยอริยะวิหารก็คือเข้าพระสมบัติ ต, ต้องเป็นพระอริยบุคคลเนาะบางพวกย่อมอยู่ด้วยทิพวิหารก็คือเข้าฌานบางพวกย่อมอยู่ด้วยพรหมวิหารก็คืออยู่ด้วยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเป็พรหมวิหารฌานนะโลกของอรุปพรมสี่ชั้นสูงกว่าทุกชั้นรูปกายของพลมเหล่านั้นแม้ประมาณเล็กน้อยย่อมไม่มี เทียงจิตเท่านั้นปรากฏอยู่ในบรรดาพรมเหล่านั้นบุคคลผู้ได้อากาศานจายตนะฌานย่อมเกิดขึ้นในพรมชั้นอากาศานจายตนะพรมชั้นอากาศานจายตนะนั้นมีอายุประบานสองหมื่นกับอารูณ์ภพรมชั้นที่หนึ่งนะอายุสองหมืนกับบุคคลผู้ได้วิญญาณานจายตนะฌานย่อมเกิดขึ้นในพรมชั้นวิญญาณจายตนะ พรหมชั้นวิญญาณัญญายตนานันมีอายุประมาณสี่หมื่นกัปบุคคลผู้ได้อากินจัญญาเยตนาฌานย่อมเกิดขึ้นในพรหมชั้นอากินจัญญาเยตนาพรหมชั้นอากินจัญญาเยตนานันมีอายุประมาณหกหมื่นกัปบุคคลผู้ได้เนวสัญญานาสัญญาเยตนาฌานย่อมเกิดขึ้นในพรหมชั้นเนวนานวสัญญานาสัญญาเยตนา พรหมชั้นในวัฏสงายนาสัญญายตนะญญานั้นมีอายุประมาณแปดหมื่นสี่พันกัปชั้นแห่งอรูปพรหมสี่ชั้นนี้พึงทราบว่าตั้งอยู่สูงเป็นชั้นๆั้นขึ้นไปกระผู้มีพระภพเจ้าทรงเป็นเทศยิ่งกว่าเทศทรงเป็นเท้าสกะยิ่งกว่าเท้าสกะทรงเป็นมารยิ่งกว่ามารทรงเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมประทับนั่งบนบันลังเดียวแลย่อมทรงเห็นย่อมทรงทราบ ด้วยทิพพระจกักขูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ตรงสมดังคำที่พระผู้มีพระพาเจ้าตรัสไว้ว่าเรานั้นเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าท่านทั้งหลาย สัตวที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเหล่านี้แหลพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นเรื่องของพรหมโลกโลกแม้ทั้งปวงกําหนดด้วยภูเขาจักรวาลย่อมแยกเป็นสวนหนึ่ง เพราะอาจว่าแตกทําลายและพังทลายความหมายของคําว่าโลกโลกหนึ่งเพราะอาจว่าเป็นภาพที่แตกสลายเสื่อมพังทลายนะนี่เป็นอัฐะของโลกแบ่งเป็นสองก็คือสวรรค์กับอบายนะที่ที่สวยอารมณ์อันเป็นเลิศอันเป็นสุขกับอบาย ท, ที่ที่ไม่มีความเจริญมีแต่ความเสื่อมอย่างเดียวแบ่งออกเป็นสามโลกสามก็คือการมลโล ก, โลกรูปะโลกอลกรูปะโลก าตามอำนาจของภพสามแดงเป็นสี่ก็คือต่างกําเนิดอันตชากําเนิดชราผู้ชากําเนิดสังเสริชากําเนิดโอปปาติกะกําเนิดอันตชาก็เกิดในไข่ชราผู้ชาเกิดในหมดลกูกสังเสริฐชาเกิดในเท่าใครโอปปาติกะก็เกิดผุดขึ้นในนรกในเทวโรกของฉันเว้นภูมมะทกะเทวดามีกําเนิดอย่างเดียวคือโอปปาติกะ ผูนรกนี่แล้วก็พวกเทวโลกหกชั้นนี่นะเว้นผุมิมัธกะเทวดานี่จะมีกำเนิดเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวนะส่วนในคติสามมีกำเนิดแม้ทั้งสี่เลยก็คือเดราชาเปรตแล้วก็มนุษย์มีทั้งอันดัชะกำเนิดชราพุชะเกิดในไข่ก็มีเกิดในมดโรกก็มีแล้วก็สังเสรชะ ด้วยก็คือเกิดในก้าใครแม้อภปปติกะก็มีนะมนุษย์ต้นกับนี่ก็เป็นพวกอภปปติกะเหมือนกันในคาถานั้นมีอธิบายว่าพวกสัตว์รบพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชเป็นต้นและพรหมเป็นพวกอภปปติกะและพวกนิชามะตันหิกเปรตเพที่ถูกไฟเรื่นหน้าของตันหาเผารนอยู่ตจลาก็เหมือนกัน ในขติสามคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานและเปรตมีกำเนิดทั้งสี่แมะภูมิเทวดาก็เหมือนกันสำหรับโลกที่แบ่งออกเป็นห้าด้วยอำนาจคติอย่างนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงทราบคติห้าประการทรงแสดงคติไว้ห้าคือสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตเทวดาและก็มนุษย์ก็เป็นนิระยะติอย่างหนึ่งเดรัจฉติอย่างหนึ่งเปรตคติอย่างหนึ่ง เทวตากติอย่างหนึ่งแล้วก็มนุษย์สกติอย่างหนึ่งส่วนโลกแบ่งเป็นหกแบ่งเป็นหกก็คือขอโทษครับโลกแบ่งเป็นเจ็ดโลกแบ่งเป็นเจ็ดก็คือด้วยอำนาจของวิญญาณทิติเจ็ดนะบแบ่งเป็นเจ็ดอย่างด้วยหน้าของวิญญาณทิตินะแล้วก็แบ่งเป็น 9, เก้าด้วยหน้าของสัตวาวาสเก้าอย่างนี้ก็คือ เทวดาและมนุษย์บางพวกข้อที่หนึ่งนะแบ่งเป็นเจ็ดกับ่เป็นเก้กเเกาตามอำนาจของวิญญาณทิฏฐิกับสัตวาว่าข้อที่หนึ่งเทวดาและมนุษย์บางพวกวินิปาติกะบางพวกแยกประเภทสูงต่ำผอมอ้วนดำขาวเป็นต้นมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันพวกนี้ก็เป็นนานัตกายะนานตสัญญีนนนนะพวกนี้นนนเพราะมีกายต่างกันและเพราะมี สัญญาต่างกันด้วยกายต่างก็หมายถึงกรูปร่างกายที่มีความแตกต่างกันสัญญาก็หมายถึงปฏิสันธิปฏิสันธิที่ต่างกันตื่นที่จะมีประเภทอิเหตุุกะตปฏิสันธิก็มีอเหตุุกะที่เป็นทุกติกับสุกติด้วยนะแล้วก็ทวิเหตุุกัตปฏิสันธิติเหตุกะตปฏิสันธิแล้วก็สัญญานี้เรียกว่าสัญญานะอันแรกก็นานตตกายะนานัตตสัญญานนอกายต่างสัญญาต like ่ง food, so ญญาง ประเภทที่สองก็คือพวกสัตว์ที่เกิดในอบายทั้งหมดและพวกพรหมชั้นปฐมฌานภูมิสามก็คือพวกพรหมบริษัทชาพรหมประหิตามหาพรหมาอันนี้จะมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันก็คือนานั ต, ตกายะเอกะตะสัญญีนะพวกนี้ถ้าพวกสัตว์อบายนี่กายต่างแต่ว่าประเด็นที่ก็เป็นพวกอหิทุ ก, กะทุกติปฏิสุนติประเด็นที่ด้วยอุเบคาสันตรีระณนะ อากุศนิบาศเหมือนกันหมดเลยสัตว์อวิยวมสีเนี่นะพวกปฐมฌานภูมินี่ก็ปฏิญที่ด้วย อ, อปฐมฌานวิบากนะรูปรรประจรปฐมฌานวิบากนะแต่ว่ากายยังมีความแตกต่างกันบ้างส่วนปฏิญที่เหมือนกันนี่เรียกว่านานตากายะเอกะตะสัญญีนอนอนออประเภทที่สามก็พวกพรหมชั้นทุติยฌานภูมิ มีกายต่างมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันมีกายอย่างเดียวกันแต่ว่าสัญญาสัญญาต่างกันนะนเรียกว่าเอกตกายะนานตะสัญญีมีกายนี่ยังมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าสัญญานี้จะเป็นประเภททุติยะทุติยชานน่าจะมีทุติยชานแต่ว่ากายมีความแตกต่างกันประเภทที่สี่นอกจากนั้นก็มีสัตว์เหล่าอื่น ก็คือมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันพวกสุภกินหาพรมพวกนี้วิญญาณทิติเหล่านั้นกับอรูปพรมชั้นต่ำอีกสามชั้นนะพวกนี้จะเป็นเอกะตะกายะเอกะตะสัญญานะกายก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันนะพวกชั้นสุภกินหาพรมขึ้นไปพวกอรูปพรหมชั้นต่าอีกสาม ก็คืออาการสารั ญ, ญาชาเยตนาวิญญาณัญชาเยตนาและก็อกินสัญญาเยตนาพวกนี้ก็เป็นเอกตากายะเอกตัสัญญาความจริงแล้วไม่มีกายนะมีแต่สัญญาอย่างเดียวกันหมดพวกนี้ก็จัดว่าเป็นอ อ, อก็คือมีสัญญาก็อย่างเดียวกันมีกายก็อย่างเดียวกันประเภทที่ห้าก็คือสัตว์ผู้ที่บรรลุ อากาสารนาจายัตนาชานแสดงว่าอารูปภพในข้อสี่นี่ผิดนะไม่เอาท่านเข้งเข้ามารัาจัดอยู่ในประเภทที่ห้าประเภทที่สี่นี้ก็พวกตุกินหาขึ้นไปตุกินหาแล้วก็ชั้นต่ำอีกสองก็ต้องเป็นพวก อาปมานาพาอาปมานาสุภากับปริตตัสุภาพวกนี้ก็จะมีเอกตกายะกายอย่างเดียวกันเอกตัสัญญีก็สัญญาอย่างเดียวกันก็ประเภทที่ห้าก็คือสัตว์ผู้ที่บรรลุอากาศสารนัญจายตนะโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้ ถ้าลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาแล้วก็ไม่กําหนดนานาตัดสัญญาโดยประการหนังปวงลวงรูปสัญญาก็คือพวกรูปปรจรสัญญาสิบห้าประเภทรูปปรจรสัญญาในรูปปรจรจิตทั้งหมดดับปฏิฆาสัญญาก็คือสัญญาในทวิปัญจวิญญาณนะสิบดวงเรียกว่าปฏิฆาสัญญาคําว่ามีการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับวัตถุอารมณ์กัธวาม แล้วก็นานตัดสัญญาก็ได้แก่สัญญาในการโมจรจิตที่เหลือสี่สิบสี่ดวงเมื่อไม่มีแล้วก็สามารถเรียกเข้าอาการสันนิจญาตยตนาได้ประเภทที่หกก็คือสัตว์ผู้ล่วงอาการสันนิจญาตยตนาชาโดยประการทั้งปวงก็บรุวิญญาณสันจญาตยตนาชาโดยกําหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้ประเภทที่เจ็ดก็คือสัตว์ผู้ล่วงวิญญาณสันจญาตยตนาชาโดยประการทั้งปวง บรลุอากินจัญญายตนาชาโดยกำหนดว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่าไม่มีอะไรเลยนนะอันนี้เป็นวิญญาณทิติเจ็ดวิญญาณทิติเจ็ดนะเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณของสัตว์ในยี่สิบเก้าภพภูมิยกเว้นอสัญญาสั ต, ตากับเนวัสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็ ถ้ารวมกับอสัญญาัตตาผู้ที่ไม่มีสัญญานะและพระวกับพรมก็คือเนวัสัญญาณาสัญญาเยตนาเนี่ยถึงจะเป็นสัตววาเก้านะเพราะฉะนั้นก็ข้อที่แปดนี่ก็อสัญญาัตตาแล้วก็ข้อที่เก้าก็เป็นเนวสัญญาณาสัญญากสัตผู้ล่วงอากิจัญญาเยตนาชาโดยการทั้งปวงมารูเนวสัญญาณาสัญญาเยตนาชา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัตวว่าเก้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายแต่ความจริงก็หมายถึงขันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายสัตวว่าเก้าก็คือวิญญาติที่เจ็ดแล้วก็รวมกับอ ส, สัญญาสัตตาหนึ่งนว่าสัญญาณนะสัญญาญตนะนี่ก็แบ่งออกเป็นเก้าโลกเก้านะโลกเจ็ก็คือวิญญาติที่เจ็ดโลกเก้าก็คือสัตวว่าเก้า ยังแบ่งออกได้อีกเป็นสิบเอ็ดด้วยอำนาจของบุคคลอย่างนี้ก็คือบุคคลสามพวกคืออเหิตุกะบุคคลทุเหตุตุกะบุคคลแล้วก็ติเหตุกะบุคลลบคลที่เป็นบุริชนนะสามพวกอเหตุกะทุเหตุุกะติเหตุุกะแล้วก็พระอริยะบุคคลมีแปดก็คือท่านผู้ดารงอยู่ในโสดาปฏิมกักท่านผู้ดารงอยู่ในโสดาปฏิผลคู่หนึ่ง ท่านผู้ดํารงอยู่ในสักทาคามิมากท่านผู้ดํารงอยู่ในสักทาคามิผลคู่หนึ่งท่านผู้ดํารงอยู่ในอนาคาคามิมาร์กท่านผู้ดํารงอยู่ในอนาคาคามิผลคู่หนึ่งแล้วก็ท่านผู้ดํารงอยู่ในอรหัตมาร์กท่านผู้ดํารงอยู่ในอารหัตผลอีกคู่หนึ่งทั้งหมดก็นับเป็นสิบเอ็ดนี่ก็จําแนกโลกเอาเป็นสิบเอ็ดเพราะโลกก็คือหมูสัตว์ก็ได้โลกก็คือภาพที่แตกตัาเสื่อมสลายก็ได้ยังสามารถแบ่งออกเป็นสามสิบเอ็ดโลกสาสิบเอดนะ แั่งเป็นสารสิเอ็ดด้วยอำนาจของชั้นอย่างนี้คือชั้นกามรวจร์สิบเอ็ดชั้นการมภูมสิบเอ็ดนั่นเองคืออบายภูมิสี่มนุษยริยโ 1, ะโลกหนึ่งเทวโลกหกชั้นอันนี้เป็นกามประมสิบเอ็ดแล้วก็ชั้นรูปรวจร1สิบหกอ่แล้วก็อารูปรวจร อ, อีกสี่ชั้นรวมทั้งหมดก็เป็นสามสิบเอ็ดจักรวาลหน 1, ึ่งที่กล่าวมานี้เรียกว่าโลกธาตุหนึ่ง ห้องแห่งจั ก, กรวาล น, นั้นเห็นปานนี้เป็นตำหนักประสูตรของพระมหาบุรุษผู้ออกจากคันของพระมารดาเป็นห้องเกิดเป็นมงคลจักรวาลจักรวาลเห็นปานนี้หนึ่งพันจั ก, กรวาลชื่อว่าจูรณีโลกธาตุหนึ่งพันจั ก, กรวาล น, นั้นคูณด้วยสิบเป็นหนึ่งมืนโลกธาตุหนึ่งหมืนโลกธาตุนี้ชื่อว่าเป็นชาติเขต โยรณีโลกธาตุนี้เป็นโลกธาตุอย่างเล็กนะโลกธาตุอย่างเล็กนี่หนึ่งพันจักรวาลแต่ว่าถ้าคูณด้วยสิบเป็นหมื่นจักรวาลนี่เป็นชาติเขตแสนโกจักรวาลชื่อว่าอาณาเขตอาชาติเขตนี่ก็คือเขตประสูตรนั่นเองหมื่นจักรวาลเนี่ยตอนที่พระเจ้าประสูตรก็ตามหรือว่าปรงมชนอายุสังขารตัดรู้แสงธรรมจากปรินิพานเป็นต้นเนี่ย มื่นโลกธาตุนี้วันไหวนะสะตื่นสะท้านเหมือนยินไหวมีความผิดปกติมีปรากฏการณ์ต่างๆมื่โลกธาตุวันไหวนี้เรียกว่าชาติเขตแต่ว่าแสงกดจักรวาลนี้เป็นอาณาเขตคือเป็นเขตที่พระปริษฐ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงอนุภาพของพระปริษฐ์สามารถจะแผ่ไปถึงรัตน ส, ะะสูตรพรตามพระชะัชกัสูตรตพัชกัปริตฐ อัตานาติยาปริตรพวนี้แผ่ไปถึงมีอำนาจครอบคลุมถึงแสนโกษษษษษษษจักรวาลจักรวาลอันหาประมาณมิได้ชื่อว่าวิสัยเขตพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแผ่ไปในที่ประมาณเท่านี้วิสัยเขตที่เขหาที่สุดไม่ได้เลยศาสนาจะรู้เท่าไหร่ก็รู้ได้ทั้งหมดกี่ล้านโคตรแสนจักรวาลก็รู้ได้หมดเป็นวิสัยเขตก็พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบซึ่งจักรวาลเป็นต้น ที่มีอยู่เหล่านี้ในกับนี้ชันใดจักรวาลเป็นต้นอันใดที่ได้มีมาแล้วในกับที่ล่วงไปแล้วพระองค์ก็ย่อมทรงทราบซึ่งจักรวาลเป็นต้นนั้นทั้งหมดด้วยอตีตังสยานฉันนั้นจักรวาลเป็นต้นอันใดจักมีในกับอันหาที่สุดมิได้ในอนาคตพระองค์ก็ย่อมทรงทราบจักรวาลเป็นต้นนั้นด้วยอานาคตังสยานฉันนั้น ในเรื่องนี้พระอาจารย์ผู้ท้วงกล่าวว่าที่ชื่อว่ากลับที่ร่วงไปแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะขอเฉลยดังต่อไปนี้พระอาจารย์ผู้กล่าวแก้ในเรื่องนี้กล่าวว่าก็จกักรวาลทั้งหลายที่แตกต่างโดยประเภทแห่งแผ่นดินภูเขาทะเลสวรรค์และอบายเหล่านั้นตั้งแต่เกิดเมฆที่ก่อความวิบัตพิพิพิณธก็คือเมฆที่ทำลายกลับแล้วเกิดขึ้นอีก ดำรงไปจนถึงดำรงไปดำรงอยู่ไปจนถึงเกิดเมฆที่ก่อความวิบัต so ิอีกการเวลาที่เป็นไปเท่านั้นชื่อว่ามหาขับหนึ่งก็คือจากโลกที่ทําลายแล้วแล้วก็ถึงความทําลายอีกครั้งหนึ่งมหาเมฆที่ทําลายโลกเนี่ยก่อความวิบัติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทําลายหมดล้างไปแล้วแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยชื่อว่ามหาขับหนึ่ง เมื่อพระอาจารย์ผู้ท้วงกล่าวว่าโลกจักดำรงอยู่อย่างนั้นเที่ยงแท้เสมอท่านกล่าวถึงความอันตรธานแห่งแผ่นดินที่เที่ยงแท้หรือพวกที่กล่าวคัดข้านอาจารย์ที่เศรากล่าวขัดข้านก็บอกว่าโลกมันเที่ยงอยู่อย่างนี้บอกว่ามันทําลายได้ยังไงพระอาจารย์ผู้กล่าวแก่กล่าวว่าท่านผู้มีอายุคําของพวกคนเขามีความรู้ทื่อเช่นกับท่านนั้นเป็นเสียอย่างนี้ ชื่อว่าสังขารที่จะไม่พินาศย่อมไม่มีในโลกพระอาจารย์ผู้ท้วงกล่าวว่าพระศาสดาของท่านมีอายุร้อยปีจักเป็นอยู่ร้อยปีหรือซึ่งแม้พระองค์จะทรงบัญญัติความพินาศไว้นะบอกว่ามีอายุร้อยปีบัญญัติความพินาศนั้นไว้ได้อย่างไรพระอาจารย์ผู้กล่าวแก้กล่าวว่า ท่านกล่าวอะไรก่อพระาศาสดาพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุร้อยปีหรือมีพระชนมยุหนึ่งปีแล้วมันเรื่องอะไรของท่านจริงอยู่พระาศาสดาพระองค์นั้นประทับนั่งบนบรนลังเดียวแลย่อมทรงเห็นสิ่งที่มีอยู่ตามเป็นจริงในสังสารวัตรที่รู้เบื้องต้นมิได้นั้นด้วยอตีตังสยานดุดทรงดูสิ่งของที่อยู่ในพื้นฝ่ามือด้วยจัตุอย่างนั้นแลพระองค์งย่อมทรงทราบซึ่ง ยพระองค์ย่อมทรงทราบเรื่องซึ่งจะเกิดขึ้นแม้ในการอันกําหนดมิได้ต่อไปด้วยอนาคตังสยานพระอาจารย์ผู้ทวงกล่าวว่าอะไรเป็นประจักษ์พยานในความที่พระาศาวซดาพระองค์นั้นทรงทราบอย่างนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวฉเฉลยเมื่อพระอาจารย์ผู้กล่าวแก่กล่าวว่าก็คนตาบอดแต่กําเนิดคนหนึ่งไม่เคยเห็นแสงพระอาทิตย์แม้ในการไหนๆฟังพวกคนตาดีอื่นกล่าวว่า พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วหัวเราะเยาะพวกคนอื่นว่าพวกคนเหล่านี้กล่าวอะไรถ้าพระอาทิตย์มีทำไมเราไม่รู้ท่านก็เป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอดีตและอนาคตพระสาวกทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรและพระมหาโมคคานะเทียบเคียงด้วยอดีตัต่งสยานและอนาคตั่งสยานของตนของต น, งตนแล้วย่อมทราบเทวดาทั้งหลายมีเท้าส ก, ก่าเป็นต้นก็ย่อมทราบเหมือนกัน กรมทั้งหลายมีพระกาพมเป็นต้นก็ทราบหรือสีทั้งหลายมีกาละเทวินเป็นต้นในการที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นย่อมทราบฝ่ายอดีตสี่สิบกลับฝ่ายอนาคตสี่สิบกลับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประมาณเท่านี้เหล่านี้เทียบเคียงด้วยญาณของตนแล้วย่อมทราบส่วนหนึ่งจากพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่สามารถจะทราบแม้ทั้งหมดแม้เป็นอย่างนี้เทวดาและมนุษย์เหล่านั้น หรือเอาที่ที่ตนทราบแล้วย่อมทราบแม้ที่ตนยังไม่ทราบด้วยการคาดคะเนก็ค่อยเปรียบเทียบด้วยาการคาดคะเนเท่านั้นการทำลายของกับนะความร่วงไปของโลกที่พินาศไปในอดีตนี้เดี๋ยวก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาใหท่้านทั้งหลายได้ศรัทธาความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอทรมคำสอนของพระองค์รวมทั้งคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พระพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าได้บรรลุเป็นพระอริยะไปหมดแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีตัวอย่างกัรบรุความเป็นพระอริยะเหล่านั้นในการไม่เนิ่นช้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ